สักเเกามีเจรูปเเอกิดคารตเตเตจันติเคบิมานีเพื่อจะเป่าเทวดาทาั้งหลายนี่เป็นศิลปตประมาทเท่านั้นนะครับถ้าพูดไปอย่างละเอียดเดียวครับพระโสดาวันน่าได้กี่อันเพาะละแยะละใดสามสิกีจ้ากับสักายเศิษฐีสิ ร, ร, ริปต์ประมาไม่ในสงสยัยคือหมายความว่าไอ้ความสงสัยนี่น่ะมันตามขั้นตอนอิเดียตของโสดาบันเป็นส่วนหนึง่ง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 ไม่ทําก็ไม่มันเกิดผิดเกิดถ่ายการรูปคล้ำ ม, มาสงสัยจะถูกไหมน้อผิดไหมน้ออย่างนี้โดยมากก็เป็นฝ่ายจิตใจเราเนีย่ยไปพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าช่างไม้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราพูดถึงเรื่องกิงเลสทั้งหลายนี่เราทําลงไปพุกเห็นเหตุผลแล้วทันว่าผิดไหมน้อถูกไหมน้อนี่ไม่ไ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 นีจิตช้ามีอยู่ก็รูปคําเหมือนกันที่สิธัพจารมาส์นี่มันก็เป็นเครื่องรูปครัเหมือนกันเช่นว่าเรานั่งสมาธิ น, น, นานๆหรือแสดงอาบัตินี่อาบัติตกไปหมดหรือเดินจงกรมอย่างนี้หรือนานๆอยู่ปริวาสทีหนึ่งใจแล้วก็สบายบริสุทธิ์อย่างเนี้ยเป็นศิทธัพจารมาสทั้งนั้นนานๆ อยู่ปริวาททีหนึ่งสร้างใจก็สบายผมเห็นพวกเขามาอยู่ปริวาทท่านอยู่ทําไมท่านเป็นดะไผ ม, ไ ม, ไ, มไม่รู้จักอยู่ทําไมบางทีบางทีอยู่มานานๆบางทีมากกว่กลัวมันจะเป็นอย่า ง, งานั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้ก็ามาอยู่จะไปมันสบายเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับนี่คือเรียกบาหลุกครัมเชื่อมาเราแสดงกระบาด ถ้าความเป็นจริงแล้วนะถ้าไม่มีใครนะไม่จําเป็นยอย่าไปพูดในคนนะอย่าไปให้คนอื่นของเราอย่าไปพูดในคนถ้าเรามีข้อข้องใจมันรูปครัมแสดงอรัถบที่ว่ามันรูปคลั ม, มอยู่ก็แสดงอรัถบอย่างนี้ถ้าเราไม่สงสัยอะไรแล้วมันไม่รูปคลัมอนะ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องถึงเรื่องจิตใจของเราแต่ก็ไม่ยิ่งตกไปด้วยไม่ได้วันยี่งตกไปด้วย มันไม่รูปคํำคือมันไม่รูปคํำคล้ายๆก็เดียกว่ารูปคําก็คล้ายๆพูดถึงเรื่องจิตของเราอย่างปลาสนนะเดินไปตรงนั้นไอ้ขายมีไปถูกกระเดียงเข้าได้ด้วยนี่รูปคําช่ไหมนี่พูดกันง่ายๆยังรูปคําอยู่คือมันจะอยู่เฉยๆก็อยู่เพราะมันเกี่ยวอยู่กันนั้นๆมารูปคำโอ้โหรูปคํานี่นี่พูดเห็นง่ายๆการรูปคํามันมีสิ่งที่รูปคําอยู่อย่างนี้ครับ ไม่เหมือนกระสุนเอทไม่เหมือนไกะ่ะไชากระโรวไม่ได้เป็น ไ, ไม่ได้ไปโดนเตียงกว่าเฉยไม่ต้องดูกคลำไม่เจ็บไม่ไมปวดเนี่ยมีอุบายบอกให้รู้จักทําไมถึงดูกคลำเพราะว่ามันสงสัยมันเก็บเนี่ยก็ลูกคลำนี่ลูกครำ น, นี่อย่างนี้เลยครับอันนี้พูดถึงเ ร, รื่องจิตใจของเราเราทําอย่างนี้เราทำานี้เขีย น, นไหมเขียนว่าเจตนาหังเป็นเหตุอย่างที่ว่ายุงมากัดเราโพดีโอ มันมันกัดยุงปุง๊บอ้าวเลือดเต็มมือเลยตายเลยอยู่เลยพอเห็นเจริงเลยอ ก, กไม่ต้องบุกคำเป็นอาบัติไหมเนาะเราไม่มีเจตนาหรืออะไรไม่มีเจตนาท่นานบอกให้มีสติให้ดีเนะี่ยท่านประมาทหรือเลวุ่นอยู่นั่นแหละได้รูปคำเนะี่ยเลยมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นมันวันคันปุ๊บ ก, ก็อ้ยยุงตายเลยคือช่างมันจิไปถึงกติกาไม่ได้นึกอีกพรุ่งนี้ก็ไปนึกอีกว่าเราจะเป็นอะไร เราเชื่อเจตนาของเราอย่างนี้เราชาระดีตกเราได้อย่างนี้น่เมื่อทําความเพียนก็ไม่ต้องดีโตกวาหาตรงนี้ก็พราะเราไม่ได้ไม่ได้ไปโดนเตียงแต่ไปโดนเตียงก็นั่ากลัวให้ดูคำอยู่นี่ดีด้วยๆๆดีไม่ีต้องหาน้ามันมาใส่เลยมีอุบายให้รู้จั ก, กว่าการดุคคำอย่างมีดุคคำคือมันมีอะไรอยู่ตรงเนี้มันยังเจ็บมันยังปวดอยู่ตรงนี้ดุคคำ จิตใจมันก็หวั่นดิตกว่าถุตรงนี้มีเดี่ยวรูปครรมส ก, กายะคิดฐิการตามเห็นร่างกายของเรานี้ว่ายอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นคือท่านเห็นมาอันนี้มาใจของเราแล้วก็ยอมแล้วว่าถูกต้องแล่ละไม่ต้องดูคำนะวิจิจิตช้า S 1> <S 1> ยัลังเลสงสัยอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วศิดปตปรมาสจะมาดูบัรมก็ไม่มีมันเป็นกิเลสข้าน่นาหิตติดต่อกันสักกายคิดฐีบีกิกิจฉ า, ช, าชิดปฏาปรมานีามันติดกันนะคือเราปล่อยจากสะคนร่างกายเห็นแน่ตามส่วนมันนี่บีกีกิจฉาสงสยัยมันก็ไม่มีมันต่อแบบนีจากโน้นเลย เมื่อไม่ได้สงสัยการดูกคลำก็ไม่มีครับมันก็เลยไม่มีที่เด็ดส่วนนี้เฉพาะพวกนี้กับในในขันทางข่าหรือในรูปเส<ะ>ียงเดียวนะะอะไรจะมันเป็นขันหนึ่งก็หมดทั้งรูปทั้งก้อนนี่แหละแบเควตนาสัญญาทางขานะัญญาเนกองรวมทั้งห้านี่แหละแต่ก็เราจะพูดตามส่วนเนี่ยมักแปดอย่างนี้เนะี่ยอะไรบ้างมักแปดสัมาสมาทิฏฐิความเห็นชอบนะ ถ้ามันเห็นชอบแล้วนะไอ้ความลัมมิมันชอบมันชอบกันไปหมดถึงนู่นเนี่ยครับแต่ว่ามันชอบขนาดนี้ความเห็นชอบของพระโสดาบันก็มีของพระสีตะกายพระอนาคามก็มีมันไม่ยิ่งถึงไอ้ความเห็นชอบนี่มันก็มเหมือนของพระอรหันต์นี่แต่ว่าสักยติไอ้ความเห็นชอบของสัมมาสิมันก็เห็นชอบมันควมเห็นชอบแล้วไอ้ความลัมมิมันก็ชอบไปเหมือนกันมันไม่อยู่หรอกครับ แต่ว่ามันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนั้นมันชอบขนาดนั้นไปตามระลับของมันมันเป็นใช่อย่างนั้นแต่ว่ามีเห็นชอบมันก็เห็นหมดความเห็นชอบดำดีชอบับงานชอบมาแมนก็ชอบไปหมดอะครับแต่ว่ามันชอบไม่มากถ้าพระโสดาบันเห็นชอบมันก็ชอบไม่มากเหมือนพระอรหันต์เห็นชอบมันคนละขณะ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 ผมยกหมดกำลังของผมอหมดกำลังของเด็กหมดกำลังแล้วครับอย่างนี้ก็หมดกาลังเล ย, เลยแต่ว่ามหมดกาลังของเด็กไม่ใช่หมดกำลังของผูใหญ่เนี่ยเขาก็พูดไปตามคาดอย่างนี้มันมันไปจบเรื่องของมันเนี่ยมันไม่มีทางสงสยัยหรอกใจมันก็ละกายมันก็ละใจไหมกายมันก็หมดจิตมันก็หมด กายมันก็ไม่ยากจิตมันก็ไม่ยากมันหมดกายก็หมดอำนาจจิตก็หมดอำนาจเนไม่มีเหลือที่มันสิ้นเอ่ะจะเหลือทาไม่เนี่ยเหลือก็สนอกก็ไปกินเท่านั้นเดีวยวเว้ยเมวไปกินเท่าไหร่ไอ้มันมีเหลือดิที่มันเหลือมกกันก็มันเหลืออยู่ที่ว่าพีเตอร์สงสัยอยู่เดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่ <c oughs> เขาพูดเรื่องว่าไม่เดือดมันเดือดอะไรนี่นี่นี่มันเดือดที่ตรงปีเตอร์ยังไม่รู้อ่ะสงสัยอยู่เดี๋ยวนี้ค่อเยพดว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าพอพูดว่าก็จะต้งฝึกตัวเองใช่เป็นห่วงอะไรไอ้คนที่เห็นตัวนี่คือเห็นว่ามีใชจตัวไม่มีใช่ตนเดียว่าคนเห็นตัวคือตนเข้าใจไหมคนที่ว่าเป็นตัวเป็นต้นนี่คนไม่เห็นต้นท่านมาฝึกต้น ต้นนั่นคืออะไรต้นคือไปเห็นมมิใช่ตัวมิใช่ต้นนั่นเรียกว่าคือตน้นเข้าใจไหมท่านยังไม่เข้าใจเป็นห่วงอะไรเล่าเป็นห่วงที่มันเหลืออยู่นี่ยเหรอใครเดียวว่าเห็นตน้นนี่คือตนก้อนนี้ใครเห็นตน้นคนที่เห็นตนก็คือเห็นมามิใช่ตัวมิใช่ต้นนั่นคือคนเห็นตน้นเข้าใจไหมจะห่วงอะไรอีกเล่ามันก็ถูกแล้วจะทําไง ที่คนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือคนนั้นไม่รู้จากตนไม่เห็นตนแต่เห็นตนก่อนนี้เห็นว่ามีใจตัวใจ ต, ใจตนแล้วคือคนนั้นเห็นตนอันนี้มันจะต้องฟังแล้วเที่ยงมันไปล้วทำเพียนเราไปหลักนี้ไม่ต้องหยุดมันอย่าลืมที่เรียกว่าความรู้ทั้งหลายที่มันหายสงสัยจะหมดความสงสัยนั่นนะ่ะมันอยู่ที่การกระทำความเพียนไม่อยุ่ ไม่ไม่ใช่เขาใจว่ามันจะหายสงสัยเพื่อไปถามคนอื่นเขามันจะหมดว่าไอ้ความสงสัยจะเหงาแห้งไปเพราะการกระทาเพียร น, นี้ไม่หยุดแต่ประการกระทำเพียรดาว น, นี้มันก็ไม่จะไม่ได้ดังใจเราแต่เราอยากรู้เห็นเร็วๆ เ, เข้าไปแต่เราก็ขี้เกียจความสงสัยจะเหงาแห้งไปจากจิตใจของพรามเพราะการกระทาเพียรไม่หยุด ไม่ใช่ว่ามันจะไปหายสงสัยจากที่อื่นฉะนั้นท่านจึงให้เร่งทําความเพียรไปสม่ําเสมอเรื่อยๆอะไรรู้ขึ้นมาจับปิจารณาแล้วเห็นก็เห็นไปไม่เห็นกว่าที่มันไม่นั่นก่อนวันนี้พบมันแล้วแต่รู้มันก็รู้ไปที่ยังไม่รู้กว่ิทงไม่ก่อนต้องทําไปอย่างนี้เราร้อนเกินไปเกิไม่ได้เย็นเกินไปกิไม่ไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เย็น ไม่ใช่ช้าไม่ใช่ เ, เร็วเนอะตเธอช้าก็ไม่ใช่เร็วก็ไม่ใช่ในต่นดูไปเหอะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้มันจะเป็นเฉพาะเรารู้เนี่ยไปพูดในคนหนึงฟังก็ยั ง, ยงเชื่อไม่ได้อีกแล้อันนี้เป็นการต้องไปต้องไปพิจารณาให้มีสติสม่ำเสมออยู่เสมอด้วยถ้าเราทำไม่หยุดมันจะมีคณะนึ่ง มันจะมีคณะที่เราที่จะทําในเราให้แจ้งในสิ่งต่างหลายเหล่านั้นแต่ให้ทิ้งความอยากนะถ้าไม่ทิ้งความอยากไม่รู้มีแต่อยากเั้านั้นเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่นนะใช่ไหม <laughs> เมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่นแหละเมื่อเราไปหมายมัน่นมันอยู่ก็ยังเมื่อเราทอดอะไรปุ๊บอะไรนั่นเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะสบายแล้วทีนี้ มันไปอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างเรามีเพชรก้อนนึ่งน่ะดนลงไปในน้ำตั้มเสียดายเว้ยแล้วก็ดำนิ้วคำไม่เห็นเนี่ยเหนื่อยกว่าเหนื่อยหิวกว่าหิว้วไปคิดไปคิดนังจังเยอะได้ก็ได้หายก็หายจังมั น, นไม่สบายเลยกลับไปบ้านสว่าไมันได้อยู่สิตตรงทอดอะไรตนวางเนี่ยนะขณะนั้น อะไรไ ม, ใไรไมไ่ใช่ได้เนอะคือเมงินได้จะได้เนอะอะไรกนจะได้เนอได้เนอะทุกหลายเอาเต็มทีเพราะมันเอะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่าด้าช่างมาเถอะสบายเลยสงบตรงนั้นถ้าไม่เป็นอย่างงั้นก็ความดิ้นโดนเมยังมีอยู่นั่นแหละไม่ต้องใช้กําลังใจอะไรแล้วรักษาของเก่านั้นไว้แล้วก็ทําสติให้ดีขึ้นสติให้มาก กว่าย่างอื่นไม่ผิดไม่โจนการทําเพียนไม่รู้ว่าจะทํายังไงมั้ทําไปอย่างนี้ทําไปอย่างแต่ว่าที่ว่ามันพอสมควรเนแต่สติของเรานะ่ะมันก็ยังไมเต็มส่วนของมันดอกได้พยายามเพิ่มไม่มีสตีมากกว่า น, นั้นแตมันรู้เท่าทันมันทุกอย่างเมื่อสติเราแข็งแจ้งขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนี่อ้ความรู้เรามันจะเกิดขึ้นมา อเพราะเรามีสติอยู่ก็อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้ไ อ, คอนน้ความรู้อันนี้แหละความรู้อันนี้แต่เรามีสติอยู่จะให้เราเกิดปัญญาจะให้เราตามรู้ตามเห็นขย่างลงไปได้อืถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่รู้ไม่รู้วันไปถึงไหนอะไรกันคือทําสตินั่นแหละให้มากขึ้น เท่าที่เราทำได้สตินี้เองจะเป็นคุณค่าอันไพศาลที่จะประคับประคองความรู้สึกของเราให้เข้าแนวทางอันสงบได้สตินี้มันก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองจะช่วยประคับประคองตักเตือนเราอย่างพวกเราก็เด็กคล้ายๆพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้า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 จิตใจหรือปัญญาของเรามันจะป่องใสขึ้นเปรียบประหนึ่งว่าเราเอาน้ําใส่ขันมาวางตรงนี้เราจะมองดูในผันน้ําถ้าน้ํามันก็เพิ่มอยู่ไม่ค่อยจะหยุดแล้วก็พอมองเห็นแต่หน้าเราก็ได้ถ้าน้ํานั้นมันสะอาดมันนิ่งคือมันมีสติอยู่ประครับประคองดูนั่นมันจะมองเห็นตัวเราเละมันจะมองเห็นไปนโน้ แม่จิ้งจกตัวนิดเดียวมันจะตายตรงนั้นมันก็จะเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่เราอเนี่ยไอ้ท่าน้ํามันก็เพิ่มอยู่เนี่ยแต่ตัวเรานี่ยเขาเห็นในยากไม่ถนัดถ้าหากว่าน้ําเนี่ยมันนิ่งมันไม่กระเพื่อมมันสะอาดนิ่งอยู่มันจะเห็นหลังคามันจะเห็นอาคารต่างๆแม่ตัวจิ้งจกขนาดนี้มันจะจับจกข้างบนมันก็จะพลอยไปเห็นด้วยนี่ไอ้พราะน้ําเนี่ยมันนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ที่เรานะมันจะยิ่งได้ก็เพราะที่ว่าเรามีสติมีการสังวรสังรวมระวังการระวังก็เพราะมันความรู้เกิดขึ้นมาความรู้สึกเนกเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่สติจําการที่ในทําและคําที่พูดเรียกว่าสตินานก็ได้เรียกว่าสติจําจการแต่อันนี้มันจะไปสับสนกันอีกอันหนึ่งนะ ซับสกนกรนีกันนี่สติกเกิดขึ้นมารู้มันก็เป็นสัญญาอันนี้มันแก่ได้สัญญาอ น, นิจจาไอ้ความจําหรืออันนี้มันก็ไม่เที่ยงอันมันเกิดมาจากสติไม่แน่นอนอย่างผมจะเรียกชาคาโลอยู่เนี่ยตั้งใจจะเรียกชาคาโดแต่พูดออกไปเป็นประมุตโตแต่ผมก็รู้อยู่ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อยู่ว่าจะเรียกชาคาโดแต่พูดออกไปมันเป็นประมุตโต ผมรู้อยู่ว่าผมมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นว่ารักษาเทวะสัญญาอานิจจามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนสภาพที่ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงเพราะนานมาแก่มาประสาทมันก็ไม่ดีขึ้นมันโฉมไปอย่างจะเรียกระมุตโต้เนยไปเรียกชาคาโลซะก็รู้อยู่ว่ามันเรียกอย่างนันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนหลง มันเคลื่อนคาดของมันไปตามลักษณะองสัญญาณิจาอันนี้เราก็เห็นชัดเลือเกินได้เดือเกินอยู่อย่างนั้นแต่ว่าลักษณะมันเคลื่อนไปเองของมันเราเห็นว่ามันเคลื่อนของมันอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ร e ู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เห็นอยู่ว um, ่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเราเห็นชัดอย่างนี้อันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสัญญาณิจาท่านก็บอกว่ามันไม่เที่ยง มันเคลื่อนคาดเป็นธรรมดาของมันแค่นั้นท่านจริงอย่าให้ไปมั่นหมายมันยึดมั่นถือมั่นมันแบบเป็นเราเป็นเขาเดือนกลางไล่ตรงนี้ก็การกระทําเพียนของเรานี่ต่อไปผมว่าเราก็ทำไปอย่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมันอยู่เป็นปกติอย่างเราเดินไปตะกวดบ้านแล้วก็ปวดของเราเรื่อยเรืยไป ถ้าไม่มีใครมาเรียกเราเรากไ็ไม่ไม่มองดูถ้ามีใครมาเรียกอาจารย์ชากครูรู้แล้วมีธุระก่องเลยเนี่ย น, นอกนั้นกวาดบ้านเราด้วยไปมีเรื่องก็จึงพิจารณามันไม่มีเรื่องก็ไม่พิจารณาเรื่องพิจรารณาแต่ความเป็นอยู่ของเรานี้ให้รู้ไว้มีสติอยู่อย่างนี้ทั้นั้นถ้ามัน ม, มีเรื่องอะไรก็อยู่สบายของเราตามเคยไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะ เราระวังของเราอยู่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งอะไรผ่านมาเรารู้จักไม่ใช่ว่าอะไรผ่านมาไม่รู้จักไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาแต่ว่าเมื่อมันสัมผัสทางอายะนะอะะันนัยแลมสัมผัสแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของมันนั่นก็ตามดูมันไปทีนี้เมื่อจากอนาคตเมื่อจากการกระทามั น, ะนจะเดินนี้ย่าณมีสติไปเห็นใบไม้ เห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ให้รู้รู้เป็นโอปนาเยโกน้อมประมาต้นไม้มันก็เหมือนเราเหมืนเนี่ยสัตว์นี่ก็เหมือนเรานาะน้อมเข้าแลออให้มันชี่ช่างมันไอ้สติที่ครอบงําเราอยู่นั่นแหละมันจะมีความสงบให้เกิดปัญญาเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายอล่านั้นอันนั้นให้คุณพิจารณาใช่ไให้คุณพิจารณาใช่พิจารณา สัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไม้อะไรต่างๆกิจเจาไปกวาดวดก็กวาดไปเถอะ้คนกวาดก็กวาดไปอ้คนกิจารณาก็กินนาไปเนี่ยไม่ใช่กวาดเฉยๆกวาดไปกวาดไปมีสติไปสมาธิเป็นอย่นี้น่ะเออมันเพียงจะรั่เอ้ยกวาดวัดนี่ก็ดีเหมนกันนะกวาดลานวัดอย่ยให้มันสะอาด เราทำความเพียรนี่ก็เพื่อปวดกเจิบทางไหนออกจากใจของเราอย่างนั้นเมือนกันเนี่ยมันจะพูดของมันไปอยู่อย่างนี้นะปัญญาก็พูดขึ้นไปเรื่อกไปเห็นไปรืย่ยไปมาเห็นสภาพสังขารว่ามันเป็นอย่างนัน้นไม่มีทางอะไรจะแก้ไขของมันนะหมดแค่นั้นเรายอมรับแล้วก็เรียกว่ามันกความสงบมักนก็เกิดขึ้นนี่ทุกข์ก็ระงับไปเพราะเรายอมรับ เมื่อเรายอมรับกระถอนอุปาทานอุปาธิออกมาใช่ไหในที่นั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นหมดไม่มีอะไรเราสําคัญมันหมายว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในความเป็นจริงตรงนั้นมันมีแต่สมมุติเรื่องวิมุติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรส่วนร่างกายเราเห็นแล้วมันก็มีดินมีน้ํามีไฟมีลมผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นผู้หญิงเคยเป็นอย่างนั้น คนไทยก็เป็นอย่างนั้นคนฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นใครก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันอย่างนั้นก็สบายก็เหมือนเราที่เดียว่าท่านจึงให้พิจารณาปฏิบัติการขบชั้นแล้วแต่ในชั้นในบาทท่ในคุกกันก็ไปในนั้นเมื่อเราพิจารณาปัจจัยอีกดีๆเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายอาหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเอาเข้าในอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันมีอะไร ในีย่ยก็สบายไปไอคนที่ยังแยกไม่ได pues, ้ก็เป็นทุกข์หลายลำบากหลายยังไม่ยอมถ้าคน Jonas, ยอมแท้ๆก็เห็นมันเป็นอันเดียวกันเนีก็เลยเกิดความสบายเลยอย่างนี้ไอคนนี่มันก็เบาไปไอคนที่ยังไม่เห็นมันก็หนักมันเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องกรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนั้นครับที่เราปฏิบัติที่มุ่งให้เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็บรรเทาทุกข์ละครับ มันต้องบรรเทาทุกข์กลัวว่ามันจะหมดทุกข์มันต้องบรรเทาทุกข์ไปก่อนบรรเทาทุกข์ไปก่อนคือบรรเทาทุกข์คือมีทุกน้อยทุกน้อยไปน้อยไปนี่เราเราก็จะดูกันได้ทุกคนที่มาปฏิบัติจุดนี่ยอย่าง่ัญชาติโลนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาทําปฏิบัติกันอย่างนี้ที่มาฝึกก่อนแล้วก็ดูสภาพจิตของเราสมัยนี้ความรู้เราเราเวลานี่กับความรู้แต่ก่อน ที่ที่เราไม่รู้จักมันเป็นยังไงไหมวัดมาดูในปัจจุบันนี้มันก็ต่างกันมากทีเดียวนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่ที่หมายมันมาก็ค่อยๆวันเทาไปอย่างนี้มันก็ค่อยไปกันอย่างนี้อืมเป็นเรื่องธรรมดาแต่บาตรหานมันก็อยากจะเป็นเดียวนี้แหละมันอยากจะดูดพ้นไปเดินมันทุกคนเน่ะมันอยากจะเป็นเดียวะมันเป็นไปไม่ได้อืมเป็นไปไม่ได้อย่างที่ชาโกรว่า แม่สมัยก่อนนั้นน่ะไปเห็นอะไรนิดเดียวกบนบรรลุไป็นพรอรหันต์แล้วเนี่ยเรามันเป็นยังไงเราจะปฏิบัติไปถูกนะออยังไงก็ได้เกิดบุ่นขึ้นมาเกิดบุญขึ้นมากนจะพายบาดแบกกดเข้าไปในปา่าเข้าในป่านี้ไม่เสร็จไปในป่านูอนอีกป่านี้ก็ไม่สงบไปป่านั้นอีกก็ไม่สงบไปในภูเขาลูกนี่ก็ไม่สงบไปตรงนู่นอีกก็ไม่สงบเลยไม่มีทางที่สงบได้วุ่น ตลอดเวลาข้อเห็นความสงบอยู่ในปา่าอยู่ในสถานที่อันนั้นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดคือคือเป็นสัมมาทิฏฐิมันมีความเห็นชอบนั่นแหละตรงที่ว่ามันจะสงบเกิดขึ้นตรงนั้นถ้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเนี่ไปเถอะออกภญษาเนะี่ยจะถำายบารไปก็ไดนะ้ มนภูเขาดูนี่นะมันสงบดีนะเกินนันจะหมดจะเดีย์อยู่ในภูเขาลูกนี้ี่นลองแต่ก็มันมีส่วนเหมือนกันนะแต่มันสงบสักนิดนึงอแค่ว่าเมื่อกิจมันคุณนอ่ะคุณจะต้องไปภูเขาดูนั่นอีกลูกนี่ไม่สบายแล้วไปลูกนั้น ก, ก็ไปอีกก็ไปเรื่อยๆอย่าคุณก็ต้องไปหาอาจารย์นั่นอีกไปอีกคุณก็ต้องไปหาอาจารย์นั่นอีกเลยวุ่นโจบ่ หมดภูเขาถูกลูกแล้วหมดอาจารย์เนี่ก็ไม่มีกัจรูปไม่จริงหรืกมันเป็นไซนอย่างนี้คนเราอ่ะไอความปเป็นจริงที่สงบอยู่ตรงไหนเนี่ยคือความเห็นชอบนั่นแหะมันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นชอบอยู่ตรงนั้นแบบสงบแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนกันอย่างวัดเรามันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นสู่ครับสัมมาทิฏฐิมาก อย่างนั้นคนที่ไปอยู่ในความสงบแล้วมันหมดกิเลสหรือมันยังเหลืออยู่นะ่ะบางทีมันยิ่ยิ่งไม่รู้เรื่องตรงนี้เราอยู่สบายเนะี่ยสบายเพราะความเคยชินเคยอยู่ออกไปจากนี่ไปตนไม่สบายแล้วก็ต้องดิ้นดนหาที่อยู่เรื่อยๆไปเพราะอะไรท้อยเพราะจิตมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี้มันยังไม่เป็นสมาธิิิไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความสบายอย่างแท้จริงมีความสบายชัวย่วคราวรกว่าไปอีกนั่นก็เป็นเรื่องของอย่างนั้น ฉะนั้นการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนหรือพูดเรื่องการปฏิบัตินี่ก็เราคนดีๆมาปฏิบัติเนี่ยสมาทําให้เราเป็นบ้าเนะี่ยคุณง่ายๆเหมืนนะันต่เป็นบ้าเมื่อเกิดเตืนหามาเกิดแดดนอนในวุ่นวายมันยังไม่รู้จับต้องมาปฏิบัติรักษาบ้าเนี่ยหายทุกจะสบายอยู่ละลองลองดูที่ผมก็เคยเป็นมาแล้วคิดใหญ่ไฟสูงคิดเจตพัดย่างคิดน้อยก็น้อยเกินไปใหญ่ก็ใหญ่เกินไป ยาเอามันก็ยาวเกินไปสั้นมันก็สั้นเกินไปมันไม่พอดีของมันนี่มันเกินความพอดีของความต้องการของธรรมะมันก็ไม่ดียี่อย่างนั่นคงคนยงิยงวิ่งขึ้นยิ่ยงวงวิ่งขึ้นยิ่งตจอดเวลามันไม่เหมาะสมเมืม่อปีตีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขใจถูกบอกไม่ถูกคนกันแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันปรู้จักความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมา มันก็เลยทั้งมีวิตกวิจานปีติสุกเอกาตาสิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกันแต่มันเป็นคนลักษณะก็ตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเหมือนกับผลธรรมัเอามารวมในกระจาัดเดียวกัน มันเป็นคนอย่างก็ช่างมันเถอะมันจะเห็นทุกอย่างในกระจัดอันนั้นวิตกุลีวิจารกุลีปีติกุีีสุกุลีเอกคาตากรีเราได้มองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่างอ่าอย่างกรกษนะอันนั้นมันเต็นอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นแล้วมันมนสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูก เมื่อมันรวมลงนั้นไม่มองเห็นมันเป็นอยู่นะเต็มในใจของเราอยู่นะมันเต็มหมดเลยนะตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทําภาวนาดับแปลกแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะอย่าหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้อันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องฐานะของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นอย่าไปสงสัยอะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินของช่างมัน มันจะไปบนอากาศกว่าจงมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้กว่าจังมันเถอะอย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนี้ลักษณะจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้เท่านั้นเนี่ยทําไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ถานแล้วมันมีสติลำปัญญยะรู้ตัวมันทางการยืนเดินนั่งนอนแล้วนี่เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั่นไป แต่เร า, าป็นอันนี้หนะ่อยจะไปยึดมั่นถือมั่นมาเมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสัยไม่สงสัยนั่นก็เรียกว่ามันมีการของกิจารณาตรวจตาหรือผลงานของมันนีงอย่าไปชี่ว่านั้นเป็นอันนั้นอันยาเลยให้รู้เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สัว์แต่ว่าเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเอง อันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นมาเราตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็หลับไปมันก็เป็นเพศเห่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันหน่อะไรตาเหล่านี้เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วนะปัญญาเห็นเช่นนี้มันก็เห็นรอบเก่ามันเห็นเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิต เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นการไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ทั้งปวงแล้วความรักความปวดมันไม่เที่ยงตรงนั้นมันก็เท่านั้นจิตมันก็วกหมองมันก็เบื่อมันก็เบื่อเบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบื่อสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไปแน่อย่างนี้อยู่แค่นั้นแหละจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเลยเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกเท่านั้นเอง มันจะหาทางออกจากจิตทางไหนแบบนั้นนะไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากว่าอยู่อย่างนี้เห็นโทษเห็นโทษแ่ะมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้เมื่อกิจเป็นเช่นนี้แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอันนี้จังเรื่องทุกข์ขังเรื่องอนันใตตายเนีไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วทีนี้ จะไปนั่งอยู่โครนไม้ก็เลยฟังเทศประพุธิเจ้าจะไปนั่งอยู่ภูเขาก็เลยฟังเทศประพุธิเจ้าจะไปนั่งอยู่ทีราบก็เลยฟังเทศประพุติเจ้าเห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกันเห็นสัตว์ทุกชนิดมันจะเป็นสัตว์อย่างเดียวกันไม่มีอะไรจะแปลกันไปยิ่งกว่านี้ มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปหลับไปเลื่อนกันทั้งนั้นฉะนั้นนี้เราก็จะมองเห็นโลกนี่ชัดขึ้นเห็นรูปนามนี่ชัดขึ้นเห็นรูปประโรคอรูปประโรคนี่มันก็ชัดขึ้นมันชัดขึ้นต่ออนิจจังขึ้นต่อทุกขังขึ้นต่ออนัตตา ถ้ามนุษย์ทางหลายเขาไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ออมาทันทีมันเกิดอย่างนั้นฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นรูปนามมันเป็นเพ้ามันอยู่อย่างนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญาแม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาปิจารณาเห็นสินชาติหา้าทางหลาย ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นมแมลงต่างๆมันก็มีปัญญ า, ารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนตรนั้นนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมมันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่แต่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปลเป็นอย่างอื่นเท่านั้น ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นถ้าเราเห็นชิ้นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปเลยมั้อย่างนั้นในทางพุทธศาสนานี่ตั้งใจความเห็นเนี่ยเห็นว่าเราโง่กวเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกว่าเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นสะอย่างนี้มันก็ถอดอาชมิมานะออก อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วจิตมันก็จริงมันก็รู้เนื้อรู้ตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผลตัวเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดาเนินการเพราะมันไปอย่างนั้นรากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติใหม่ๆนี่หนึ่ง ให้เป็นคนสื่อสัตย์ตรงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีลักษณะที่ท่อมตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่สันโดถ้าคนมากน้อยในการพูดในการในทุกอย่างเมื่อก็เห็นตัวของเรามันมันไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นมันเป็นเหตุ อันนี้เป็นรากฐานแต่ที่มันมีอยู่ในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันก็ะร้วนแต่ศีลที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร้วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันก็ะร้วนมีแต่ปัญญาเต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นจิตในขณะนั้นมันก็เดินอยู่ในศีลในสมาธินในปัญญาในศีลในสมาธินนปัญญาโดยอาการศีลนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้น อย่าประมาทคำที่ท่านว่าอย่าประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยินน้อยภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกๆอย่างอย่าประมาทถึงแม้ว่าถูกต้องแล้วก็อย่าประมาทผิดแล้วก็อย่าประมาทดีแล้วก็อย่าประมาทมีสุขแล้วก็อย่าประมาททุกอย่างท่านไม่ให้ประมาทท่านไม่ไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของแม่แน่จับมันไว้อย่างนี้ จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้แม้มันอยากจะดีใจเหมือนกัน แ, บบแต่ว่าดีมันรู้เรื่องมันชั่วไปรู้เรื่องของมันฉะนั้นการอบรมจิตจริงๆเป็นเป็นเรื่องของเจยวของครูบาอาจารย์บอกวิธีที่อบรมบอกวิธีที่อบรมจิตถ้าเราจะอบรมนั่น อวมรวมจิตเน่เป็นตัวของเราเองก็เพอจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จักหมดทุกอย่างอล้วะอยู่ที่เราอ่ะไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่องปฏิบัตินี้มันอาใัยความถูกต้องอย่างนี้เราก็อยู่สบายเดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริง ำทำมาทําจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะทำปฏิบัติทําจริงๆเพราะทําทางจิตประพฤติทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ต้องรู้จักถ้ารู้จักเราก็รู้จักข้อปฏิบัติตอนนั้นไม่จําเป็นมากแล้วก็รู้ทิศทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้น้อมกลับมาอย่างเพื่อนที่สู่สามเณรอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยงสองมันมีอย่างเยี่ยงอย่างอย่างหนึ่งท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยงยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรักน์ที่เป็นครูบาอาจารย์มาสมัยก่อน คนไม่ฉลาดเอาธรรมะกระทำไม่ได้เพื่อไปเอาอย่างท่านไม่ไปเอาเยี่ยงของท่านไปเอาอย่างของท่านอย่างของท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านพูดไม่สังเวชสังวรตัวอย่างของท่านขอขอหงือขอด้วยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชุมดุเจงมากนี่อย่างของท่านเป็นอย่างนั้น แต่ย่างของท่านไม่มีอะไรคนผที่สุดท่านไม่มีอะไรนั่นเป็นสัตว์แต่ว่าพูดสัตว์ก็จะทรมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทาอะไรนะั่นแหะท่านมุ่งธรรมะแต่คนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหายมันก็ไม่เสียอยู่เอง เดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังดวงไปไหนแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นดวงตาบางคนไปเอาตาม์่ันเสียหมดมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นพวกเราทุกคนนั้นอย่างผมเล่าให้ฟังนั่นแหละทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทุกขาปฏิปทาคิ ป, ปา กิญญาสุขขาปฏิปทาทันทากิญญาสุขขาปฏิปทากิปาคิญญาคนเราแข่งบุญวัฒนาบารมีกันนั่นมันแข่งไม่ได้แขงกําลังกายแล้วนี่มันแข่งกันได้บุญวาสนาบารมีแข่งไม่ได้อย่างต้องกายจ้ะผมหวังดีอยู่ต้องการเจริญอยู่หวังดีอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้ ก็ต้องพยายามไปเห็นมันไปทุกขาปาเจปทาท่านทาปิญญาปฏิบัติลาบากคัดคัดคองของทุกสิ่งสารพัดปฏิบัติลาบากกัตถรูธรรมะกัตรูชา้าๆจะแปลว่าบารมีพ่อเราสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากมากอย่าไปทอดห้อยมันอย่างคนจนอย่านึกว่าเราจนแล้วไม่ทางาน มันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วต้องไปต้องขยานอย่างน้อยก็เสมอเด็กินอันนี้ตรงนั้นการขันนั้นเราปฏิบัติให้มากทําไม่มากจะเริ่มให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกข์าปฏิปทาท่านทาปิญญาทุกขขาปฏิปฏาทากิปาปิญญานั้นปฏิบัติลําบากแต่ดูเร็ว ไม่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายริ้นดนกระวนกะวาย แ, แต่รู้ง่า ย, ายเก็บกระชั่งมันปวดกัวชั่งมันจะมาถ่ายง่ายอันนี้อันนี้เป็นคนที่สองคนที่สามสุขคาปฏิป ท, ทาทันทาปัญญานี่เนี่ยว่าปฏิบัติง่ายๆแต่รู้เลยยากไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยบุไวาย ไปเรื่อยๆไปแต่นานๆบางทีประชวนจะตายนันเึีงจงรู้มีในขั้งพระพุทธเจ้าเราก็มีสุขะปฏิปทาคิดมาพิญญาลักษณะที่สี่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่ายๆรู้ก็ง่ายๆอย่างนี้ก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ มันก็เหมือนกันเนี่ยมอนกันกุฏิเตียนยูวิปติเตียอยู่เนี่ยยะปะทะปะละมัตกตฏิเตียนยูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองมองดูเท่านี้ก็รู้แล้วว่าท่านจะอะไรทําอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์เท่า้แก่พบเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากกุติเตียนยูวิปติเตียนยูต้องแนะนําต้องกิจรณาเปรียบเทียบให้ฟัง อย่างมันจะเอาทุกทิ้งเราก็ตืนสองตื้น ไ, ได้แต่มันตึ้ปลายแก้ตกไปนะแนะนําได้แก้ไขได้เป็นวิปติันอยู่เนยยะเนยยะบุคคลจะพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตแสดงอุกติตนอยู่อุกติตนอยูวิปตินตันอยูย่เนยยะปัทภพรมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มันรู้เร็วมากตรงนี้ถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียด ยกแสไปเลยวิ่งเเห็นแต่เอาแสแต่มันก็วิ่งแล้วยิบติเก็นอยู่นี่แ่ะพอแนะนำได้ต้องยกแสไปไม่วิ่งต้องเขี่ยนมาตัวนี้มันถึงวิ่งทวีที่สามต้องเขี่ยไม่หยุดเออไม่วิ่งต้องเขี่ยบ่อยมันถึงวิ่งงั้นมันไม่วิ่งเนอยอยานปัญญาปรามะนี่เอออาจจะเขีย่ยลงไปเหอะ ไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินถูกอารมณ์อะไรก็อยู่งั้นแหละอสั่งสอนได้รที่พอยใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่น่าเกลียดมันเลยจะอยู่นะจิตอันนี้มันไม่เห็นมืดหลายอันมืดอันนี้ลาบากมาตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาทิ้งมันไปใจะทิ้งอะไรมันจะทิ้งแต่ความเบียดเบียนดกสอนไม่ได้ไม่เข้าใจแล้วก็ทิ้งไว้เพราะอะไร กรรมเก่ากรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวเหมือนน้ำมมาในขวดวมันเต็มแล้วมันไม่พร่องอยากเจริญน้ําใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องเอาน้ําเก่าก่อนใช้ใช้น้าเก่ามันหมดไปก่อนจึงเอาใหม่อย่างนี้กคือมันกันฉันนะั่นถ้ามีกรรมเข้ามาแทรกจะลําบากถ้ามีกรรมเก่ า, าเข้ามาแทรกจะลําบากมาก แคนั้นอย่างไรก็ตามเธอะพวกเราทั้งหลายนั้นมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็อะไรเธอการกระทำความดีนั่นแหะมันดีทําแล้วไม่เสียหายทําแล้วมันดีทําความดีมันแก้ความไม่ดีทําความไม่ผิดมันแก้ความผิดออกอย่างนี้มันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นเด็กเมื่อในเวลานี้มันยังไม่ได้ ให้ผลการต่อไปมันให้ผลกรรมเมื่อกรรมมา น, นี้มันให้ผลอยู่กรรมอื่นมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไม่ไหกรรมมา น, นี้ให้ผลอยู่กรรมที่เราทาเยือนี่ให้ผลไม่ไแต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อบดกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นจึงทำว่ ซึ่งถามว่าทาแล้วไม่เสียหายทาไว้เพื่อเกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหาถึงไม่ถึงการไม่ถึงเวลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่เพราะนั้นทุกคนซึ่งมาได้ทำการปฏิบัติในวัดของพระพงษ์ในปัญานี้จงให้อยู่ในลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุ ส, สมณีเราทุกทุกคนนั้นให้เห็นอกเห็นใจกัน ให้รู้จักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบา ร, รมีร่วมกันต่างคนต่างางอกต่างใจทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรมะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติ ตามโอวาธรรมะคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่เท่านั้นเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธังสระังคัตฉามิธัมมังสระนังคัตฉามิสังฆังสรนังคัตฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นวาจาที่สำคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่ง ที่นับถือของเราแล้วธรรมังตรนังคาฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสงังขังตะนังคาฉามิเราถึงพระสังฆเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของพระสเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยาก ถ้าเไม่ตรงไปตรงมาไม่รถคิฐิมานะเราจะไม่ถึงประพุทธไม่ถึงประธรรมไม่ถึงประสงค์อย่างนั้นข้อประพุทธปฏิบัติจะไปแข่งแย่งชิงกันเดียกันเมื่อเวลาเระรมรร้างบวรรณะนี่มันทะลุอุ้งที่มันจะมีเวลาอยู่น้อยกวจริงจะมีเวลาอยู่น้อยกวจริงให้มันน้อยเหมือนมูเหา่าให้มันมีพิษจะไปน้อยเหมือนอย่างอื่น ให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยปีหรือพันปีมันยิ่งเหลหลายเรามาทำความดีสักห้าวันหรือเจ็วันนี่แต่นต้นก็ยังดีกว่านั้นมากมันจะทัดท้านต่อกันอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นทุกคนมันได้จวนครึ่งรรษามาแครวพรนษาแล้วตามความจริงลักษณะของคนเรานั้น ถ้านานๆไปมันชอบหยาบเยาประมาณที่ขอวัดเราธมาปีตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ดังนั้นที่เราตั้งใจไว้ในก่อนพรรษาว่าเราจะทําอะไรกันก็จ้องทําประโยชน์อันนั้นให้มันสมบูรณ์ระยะสามเดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดปลายนี่ต้องพยายามทุกๆคน ให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรก่อนภาวสารทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ะระลึกถึงะระลึกถึงว่าจากว่ามันย่อย่อนก็ต้องกลับตัวปรับปรุงเรื่อยเื่อยเหมือนกับเราภาวนาทำอนาปานสติรมหายใจ หายใจเข้าออกสม่ําเสมอเมือ่อกิจมันวุ่นวายไปตามอารมณ์ก็ยกขึ้นมาอีกตั้งใหม่เมื่อมันเป็นไปตามอารมณ์ก็ยกมันขึ้นมาอีกตั้งใหม่อย่างนี้ก็เหมือนกันทางจิตเราก็เป็นอย่างนั้นทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามให้ทําอย่างอื่นที่เราทํามาแล้วแ ต, ต่จะมันเกิดมาจะถึงแบบนี้หลายปีเราเราทำไปแล้ว การทำความชั่วยนี่ความไม่ดีมามันทํามาได้แล้วมากเลยบัดนี้เรามาตั้งใจสร้างความดีของเราสามเดือนด้วย <c oughs> ในภาษานี้ทุกคนถือว่าถือประสนธิใหม่อ <c oughs> ตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่าอยู่ในพระนี้หรือออกไปแล้วเป็นต้น <c oughs> ก็ให้มันเป็นิสายก็ให้เป็นปัจจัย <c oughs> การทําดีแล้วมันไม่เสียหรอก <c oughs> การทําถูกแล้วมันก็ไม่เสีย มันจะไม่ดีแต่การทำไม่ดีเท่านั้นแหละมันจะไม่ถูกแต่การทําไม่ถูกเท่านั้นแหละไม่ไปที่ไหนหละอยู่ที่จิตใจของเจ้าของนั่นไอ้ความชั่วเราทํามาแล้วมันไม่ควจะวายใจนี่เรานึกมานะ้วเมื่อวานนี่ก็ดีเมื่อซืนญนี่ก็ดีสองเดือนสมเดือนมาแล้วก็เกิดมากก็ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทําสิ่งที่ไม่สวายเช่นว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อน เราเป็นฆรวาสเรามาทกขอเสียอันพระไปซะเป็นต้นอยากไปฟังหนึ่งถึงแม่ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นเสียงันพรนโอ้ยมันบาปเหลือเกินถึงแม้ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่ถึงแม้เรามาบวชอยู่ที่นี่เป็นต้นยิ่งแล้วการยู่มาไหว้ท่านทุกวันทุกวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีพอเราทุกข์ไปเนี่ยนี่เดียวกว่าการทําไม่ดีเนี่ย บาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่นี่เลยไอความชั่วทําแล้วภายหลังเดือดร้อนไอความดีเราทําแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ชั้นใดชั้นนั้นบัด น, นี้วรามรธรรเป็นพระไว้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมันสบายไปเลยศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดลงปู่โป่งแม่มันสบายมาถึงหมลวงพ่อบ้านแม่เราเราง่ายเราสบาย เป็นที่พื้นของเราเป็นที่พื้นของลูกหลานของเราอันนี้สถานนี้เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันแน่นหาไว้ในใจของเจ้าของเนี่ยดีมากนี้เนื่องการกระทํานีเองการทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีในภายหลังทรา น, น